พุทธธรรมฉบับปรับขยายชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่ส4องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาหมวดที่หนึ่งหมวดปัญญาดังเด็กเล่าแล้วว่าพุทธศาสนามองจริยธรรมในแง่ของการถือเอาประโยชน์จากกฎธรรมชาติหรือการนำเอาความรู้ในกฎธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ดังนั้น จึงได้ให้ความหมายของจริยะอันประเสริฐคือจริยธรรมที่ถูกต้องแท้จริงไว้ว่าเป็นการดำเนินชีวิตโดยวิถีทางที่จะทําให้ความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยของธรรมชาติบังเกิดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ให้มากที่สุดหรือการดำเนินชีวิตด้วยการรู้เท่าทันธรรมดาของธรรมชาติเป็นประพฤติปฏิบัติในทางที่จะผลักดันและสรรสร้างเหตุปัจจัยต่างๆให้เป็นไปอย่างก่อพลดี บังเกิดคุณในประโยชน์แก่มนุษย์ดังจะเห็นได้ชัดในคําสอนเกี่ยวกับหลักกรรมเป็นต้นโดยในยะนี้ถ้าใช้ศัพท์เฉพาะทางธรรมะก็เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาคือปฏิปทาที่นาเอามัชฌีณาธรรมเทศนามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์เพื่อบรรลุผลที่มุ่งหมายของมัชฌีณาธรรมเทศนานั่นเอง ตามความหมายที่ได้แสดงมาจะมองเห็นหลักการสำคัญของจริยะว่าแยกแยะออกไปได้เป็นสามขั้นตอนคือขั้นที่หนึ่งรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติหรือรู้เท่าทันธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยขั้นที่สองใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ คือปฏิบัติให้สอดคล้องกับธรรมดาหรือกฎธรรมชาตินั้นโดยกระทำการที่เป็นเหตุให้เหตุปัจจัยทั้งหลายดำเนินไปในทางที่จะก่อผลดีขั้นที่สมเมื่อทำอย่างถูกต้องที่ตัวเหตุปัจจัยแล้วก็ปล่อยให้เหตุปัจจัยเป็นไปตามธรรมดาหรือตามกฎจนก่อผลของมันเองวางใจเป็นอิสระ คอยดูอย่างรู้เท่าทันไม่ต้องถือมั่นเอาตัวตนเข้าไปผูกรัดขัดติดไว้ตามหลักการนี้ความรู้ความเข้าใจเป็นแกนนำของความประพฤติปฏิบัติเป็นส่วนสําคัญที่ต้องใช้ตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเมื่อพูดอย่างสั้นจึงเรียกจริยธรรมนี้ว่าการเป็นอยู่ด้วยปัญญา แล้วเรียกบุคคลผู้มีจริยธรรมนี้ว่าบัณฑิตแปลว่าผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยเหตุที่ต้องใช้ปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นระบบจริยาคือมัครหรือมัชิมาปฏิปทานนี้จึงมีสัมมาทิฏฐิได้แก่ความเห็นชอบหรือเข้าใจถูกต้องเป็นองค์ประกอบข้อแรก